เป็นไงพ อ, อ ม, มาไม่ฟังไม่เบื่อเลยถ้ามีโกาก็จะมาอีกครับ อ, อ, อยู่กันเตะกันแค่นี้อนะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลอยู่ไกล้ก็เหมือนใกล้ ก็รู้ว่าเป็นใกล้เกือกินด่างคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่มกักจะมาจากที่ไกลๆคนใกล้ๆเขาไม่ได้มาเพราะคนใกล้เขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขา เขาต้องการสิ่งที่อยู่ไกล้ตัวเขาเหมือนไก่ได้พลอยเคยได้ยินเรื่องไก่ได้พลอยไหมอ่าไก่มันคุยเกลียหาอาหารหาตัวตัวนอนตัวไส้เดือนกินเป็นอาหารพอเจอพลอยเจอเพชรมันก็เขลียวเทงเกลียวเทงไป พมันกินไม่ได้มันไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยถ้า ม, มันเก็บไว้เอาไปขายเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวหนอนตัวใช้เดือนได้เป็นเป็นแสนตัวธรรมะก็เหมือนกันธรรมะนี่เป็นเหมือนเพชรเหมือนพลอยมีคุณค่ามาหาศาลแต่เราไม่รู้คุณค่าของมันเราไปเห็นคุณค่าในลาบยศสารเสริญง เลยเลยหาลาภยนต์สรรเสริญพอเจอธรรมะก็เขียทิ้งเขียทิ้งไปพระพเจ้าบอกรถแห่งธรรมชนะรถท้งป่วงรถแห่งธรรมนี้เป็นรถที่อริดอร่อยที่สุดดีที่สุดวิเศษที่สุด ม่คุณค่ามากที่สุดแต่เราไม่เห็นคุณค่าของธรรมเราไม่มีปัญญาเหมือนไก่ไม่มีปัญญาไม่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอย<ม>เห็นคุณค่าของไส้เดือนตัวหนอนพวกเราเห็นคุณค่าของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสเราจะยงวิ่งหา แต่ลาบยกเสริหหารูปเสียงกลิ่นดดกันส่วนธรรมะนี่เราไม่หากันเพราะเราไม่เห็นคุณค่าไม่มีปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของธรรมนางในบทที่เราสวดกันว่าวิวยญูชนนะธรรมะเป็นเป็นสิ่งที่เหมาะกับวิยญูชน คือคนเจรจาคนที่มีปัญญาคนที่รู้คุณค่าของธรรมเหมือนคนที่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยคนที่ไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยเจออาจจะโยงทิ้งไปก็ได้เท่าเป็นก้อนเห็นก้อนนึงไม่รู้จะไปทาอะไรก้อนเห็นถ้าไปเจรณาใบขายก็ได้ราคาเป็นล้าน วิธีที่จะให้รู้คุณค่าของธรรมก็คือต้องศึกษาศึกษาธรรมฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจะเริ่มเห็นคุณค่าของธรรมว่ามันมีคุณค่าอย่างไรจะเห็นว่ารถแห่งธรรมนี้เป็นอย่างไรรถแห่งธรรมชนะรถทั้งตัวนี้เป็นอย่างไรคือความสุขที่ได้จากธรรมนี้มัน เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงวนั่นเองดังนั้นถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมสิ่งที่เราต้องทำก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาภาะประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาภาะประวัติของพระ อ, อริยสงสารของพระพุทธเจ้า ว่าทำไมท่านจึงเห็นคุณค่าของธรรมทำไมเรามองไว้เห็นคุณค่าของธรรมกัน <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของธรรมเพราะว่าเห็นความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสของร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้หาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันพระพุทธเจ้าพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายองค์ก็ทรงเห็นว่า ลาบยศสรรเสริญสุขที่พระ อ, องค์ทรงมีอยู่นั้นเป็นของชั่วคราวพอแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้เเราต้องเห็นตรงจุดนี้กันต้องเห็นว่าชีวิตของเรานี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนางกายของเรา ที่เราจะใช้ในการหาความสุขต่างๆจากภาพยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิน่นรสนี่เป็นของชั่วคราวจะต้องมีวันหมดงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดพอสิ้นสุดแล้วต่อให้งานเลี้ยงจะวิเศษขนาดไหนมันก็เป็นอดีตไปแล้วผ่านไปแล้วพอมันจบแล้วมันก็หายอันตรธานหายไปหมด เหรืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ความหิวความอยากที่ทุกทรมานใจอันนี้คือจุดหักเหของพระพุทธเจ้าคือการได้เห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเห็นพระ วันนี้พวกเรามาเห็นนักบวชแต่ยังไม่รู้ว่าอยากเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายหรื อ, อยังเลยเห็นแต่ก็ยังไม่ได้เกิดความสะเทินจิตสะเทินใจเพราะไม่ย้อนเข้าหาตัวเราเวลาเราเห็นคนแก่แลรวก็คิดว่าเขาแก่เราไม่แก่เห็นคนเจ็บก็คิดว่าเขาเจ็บแต่เราไม่เจ็บ เห็นคนตายก็คิดว่าเขาตายแต่เราไม่ตายมันยังไม่สะเทือนใจเราแต่ถ้าเร า, าพิดมันกับเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันมีสองสองกล้องใช่กล้องหน้ากล้องหลังพอเราพิดกล้องกลับเราก็จะเห็นหน้าเราเห็นตัวเราเราถ่ายเราเราหันกล้องด้านหลังไปเห็นคนแก่ แล้วก็พิกมันกลับมาอมาเห็นหน้าเราหน้าเราก็ต้องแก่เหมือนคนแก่ที่เราเห็นเห็นคนแก่ก็ต้องมองกลับมาที่ตัวเราว่าเราก็ต้องแก่เหมือนเขาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมองกลับมาว่าเห็นว่าเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเขาเห็นคนตายก็ต้องมองกลับมาที่ตัวเราว่าเราก็ต้องตายเหมือนเขา เวลาไปงานศพนี่เราแทบจะไม่เห็นคนตายเลยไปเจอแต่คนเป็นถึงนะไปก็ไปคุยกันไปสังสรรค์กันทักทายปลาใสกันส่วนคนตายนี่ก็ปิดไว้ในหีมองไม่เห็นเลยภาพของคนตายก็เป็นภาพของคนเป็นอีกถ่ายไว้ตอนที่ยังไม่ตายมันต้องถ่ายภาพคนตายสิแล้วแต่เนี้ป่าไว้ที่หน้าศพ ถ้าไม่อยากให้เห็นศพก็เอาภาพของศพปะไว้ก็ยังดีงานศพของฝรั่งเขาดีตรงนี้ดีกว่าเราเนี่ยเขาให้ไปดูศพในในโรงเวลาเราไปคารวะศพเนี่ยเขาเปิดฟ้าลงให้ดูแต่ไม่ดีตรงที่เขาว่าเขาไปแต่งตัวให้มันเป็นเหมือนกับคนเป็นแต่งหน้าแต่งตาแต่งเ้าแต่งผมใส่เสื้อผองเสื้อผ้าเหมือนขณะที่เป็นคนเป็นอยู่ ก็ยังดูเหมือนต๊ะดูเป็นเหมือนต๊กะตาไปสู้สมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้ที่เวลาไปเยี่ยมป่าชาไปดูศพเนี่ยเขาไปดูศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าชาศพเนี่ยก็ก็รู้ว่าเป็นยังไงศพตายสามันขึ้นอื่นนะศพตายแล้วมีมีนอนมีอะไรมาแทะมีหมามากัด มีแรงมากัดมากินนั่นละ่ะต้องดูสภาพศพอย่างนั้นกันนั่นละ่ะคือตัวเรานะคือร่างกายของเราที่ต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นแนละ้วมันจะได้สลดสังเวชสะเทือนใจแล้วมันจะทําให้เราตื่นขึ้นมาจากความหลงที่คิดว่าร่างกายของเรานี้มันจะ รับใช้เราไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพาเราไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนภาพยนต์เวลาตอนจบนี่พระเอกเจานางเอกเขาก็อยู่กันไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแต่ชีวิตเราไม่ได้เป็นเหมือนภาพยนต์ ชีวิตของเรานี้มันไม่สุกไปตลอดมันจะต้องมีวันจบวันที่เราแก่วันที่เราเจ็บวันที่เราตายนี่คือจุดที่จะทำให้เราได้หักเหชีวิตของเราเพื่อเข้าหาหาธรรมกันเพาเราจะเริ่มเห็นว่า ร่างกายที่เราเอาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขให้กับเราเนี่มันจะต้องมีวันหมดสภาพไปแล้วหลังจากนั้นเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาให้ความสุขกับเราต่อ <c oughs> ก็พอดีได้เห็นพระ <c oughs> เห็นนักบวช อุตจาก็ทราบว่านักบวชนี้เขาหาที่พึ่งที่ไม่ใช่ร่างกายท่านก็เลยสนใจอยากจะไปเป็นนักบวชน้องอยากจะหาที่พึ่งมาทดแทนร่างกายนักบวชเขาแสวงหาความสงบพอเวลาใจสงบแล้วใจก็มีความสุข ความสงบนี้คือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นคําสอนที่จะสอนให้เราได้พบกับความสงบพบกับความสุขพบกับความพบกับที่พึ่งใหม่ที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้เพราะความสงบนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้น ไม่เหมือนร่างกายที่มีวันจบมีวันแก่วันเจ็บวันตายแต่ความสงบนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายความสงบไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนี่เป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้า เปลี่ยนจากการหาตัวหนอนตัวไส้เดือนแล้วก็ไปหาเพชรพลอยห า, หาพระรัตนปลายรัตนะคือเพชรคือพลอยคือธรรมธรร ม, มังสรณาังกระฉามิพระพุธเจ้าออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างธรรมขึ้นมาสร้างรัตนะหาเพชร หาธรรมพอได้ทำแล้วพระองค์ก็สบายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่มีความสุขตลอดเวลามีความสุขกับความสงบที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้น อยู่กู้กับใจที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายใจที่มีธรรมแล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายใจก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เป็นอยู่ก็แล้วกันในขณะนี้ใจของพวกเรายัางพึ่งร่างกายกันอยู่ยังหาร่างกายเป็นที่พึ่งกันอยู่พอร่างกายนี้ตายไปก็หาร่างกายอันใหม่ เราก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาราบยศสะลรเสรญหารูปเสียงกิ่นรดต่างๆก็หาได้ชั่วระยะหนึ่งชั่วระยะเรียนจบการศึกษาอายุประมาณยี่สิบห้า ทำงานสามสิบห้าปีหาราบยศสรรเสริญสุขอยู่สามสิบห้าปีหกสิบก็กเกษียนก็มีเวลาหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายจากราบยศสรรเสริญที่หามาได้อีกแล้วแต่จะอายุยืนหรือไม่ยืนแต่ไม่เกินแปดสิบมันก็ไม่ไหวแล้ว พออาย80นี่ก็เตะปี๊บไม่ดังแนละไม่มีแรงเตะปี๊บนะตอนนั้นก็ถ้ามาเจอพระพุทธศาสนาก็อาจจะเข้าวัดเข้าตอน80แต่มันก็ไม่มีไม่มีเรียวมีแรงที่จะปฏิบัตินะปฏิบัติก็ได้ไม่มากฟัง ศึกษาก็ไม่ได้มากฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้มากมายสายไปกวนจะศึกษาตั้งแต่อายุยี่สิบเนี่ยถ้าบวดอายุยี่สิบเนี่ยโอกาสที่จะได้มีธรรมเป็นที่พึ่งนี้มีมากมิวพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านเป็นพระที่หลุดพ้นจากกองทุกข แห่งการเกิดแก่เจ็บตายท่านกระบวญกันตั้งแต่อายุยี่สิบกันเป็นส่วนใหญ่มีบางท่านบางองค์ก้าบวชช้าหน่อยแต่ก็ไม่ช้าเกินไปสี่สิบนี้บางองค์ก็สี่สิบมีอยู่องค์ท่านบวชตั้งแต่อายุหกสิบมั ของปู่ตันนี่ได้ยินประวัติของท่านเป็นลูกศิษย์ของน้องตามหาบัวอายุหกสิบแล้วเกิดศรัทธาอยากจะบวชแต่ท่านนึ็นคนเอาจริงเอาจังท่านบวชแล้วท่านเข้มเข้มงวดกวดขันกับการปฏิบัติอย่างเข่งขัดจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุ ธ, ธรรม นี่คือสิ่งที่จะทําให้เราเห็นคุณค่าของธรรมคือการได้ฟังเทศฟังธรรมได้เห็นคุณสมบัติของธรรมเหมือนกับการได้ดูโฆษณาสินค้าต่างๆสินค้าต่างๆนี้บางทีเราไม่รู้ว่ามันดีอย่างไรผู้ที่เขาขายสินค้านี้เขาถึงต้องทาําโฆษณา เพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้ได้ศึกษาจะได้รู้ว่าสินค้านี้มีคุณภาพอย่างไรสามารถทำประโยชน์ได้อย่างไรบ้างพอผู้ที่ได้เห็นโฆษณาแล้วก็จะได้เกิดความอยากซื้อสินค้านั้นแม้แต่สินค้าที่มีชื่อมีเสียงแล้วเขาก็ยังต้องโฆษณาอยู่เพราะอะไร เพาะคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาทีเขายังอาจจะไม่เคยได้ยินได้เห็นสินค้าเหล่านี้ก็ต้องมีการโฆษณาไปเรื่อยๆพอผู้ที่ได้เห็นโฆษณาว่าสินค้านี้ให้ความสุขแบบนั้นให้ความสุขแบบนี้คนเห็นโฆษณาก็อยากจะได้นะอัในใดเราก็ต้องดูโฆษณาของพระธรรมคําสอน ดูทมดูโฆษณาดูเห็นดูคุณค่าของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรได้ส่งค้นพบที่ได้ส่งรับได้เป็นที่พึ่งของพระองค์ว่าวิเศษกว่าสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้วิเศษกว่าร่างกายที่เราใช้เป็นที่พึ่งในการหาความสุขต่างๆ าเราเห็นแล้วว่าร่างกายของเรานี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเวลาเรามาฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะเหมือนกับได้เห็นโฆษณาโฆษณาของสินค้าที่เราเห็นก็คือพระธรรมที่เป็นที่พึ่งของใจของพวกเราว่ามีคุณค่าเป็นเพชรเป็นพอยอย่างไรแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของ ตัวหนอนตัวไส้เดือนว่ามีคุณค่าอย่างไรจะจะเห็นว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่พึ่งได้ไปตลอดและสิ่งไหนเป็นสิ่งที่พึ่งพึ่งไม่ได้ไปตลอดพึ่งได้ชั่วระยะหนึ่งอันนี้พวกเรากำลังพึ่งสิ่งที่พึ่งได้เพียงชั่วคราวคือร่างกายของเรา แปดสิบเก้าสิบปีก็ตายแล้วดีไม่ดีไม่ถึงแปดสิบเก้าสิบบางคนแค่ห้าสิบหกสิบก็ไปก็มีบางคนก็สีนะ่สิบสามสิบถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่เห็นโทษชงมันเราจะคิดว่ามัน จะให้ประโยชน์กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดอย่างที่พอเร่าไม่ฟังว่าพอคนก่อนที่กเกษียณไปไม่กี่วันก็เสียชีวิตแล้วเธอก็ขึ้นช่วงที่จะใกล้กเกษียณนี่ก็ขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่อย่างสม่าเสมอก็ดีก็ยังมีโอกาสได้ตักตวงบุญ ตักตวที่เพึ่งทางใจไปได้บ้างแต่ไม่รู้ว่าได้ขนาดไหนเธอเองก็คงไม่คิดว่าจะต้องตายในอายุนั้นเหมือนกับพวกเราเราก็คงไม่คิดว่าเราจะต้องตายในอายุนั้นเพราะความคิดแบบนี้มันจึงทำให้เราประมาทไม่รีบขวนขวายจ้างที่เพึ่งใหม่กัน อเราคิดว่าที่พึ่งเก่าวว่าที่เรามีอยู่นี้มันจะเป็นที่พึ่งของเราไปได้อีกนานเราก็เลยไม่ขวนขวายที่จะรีบสร้างที่พึ่งใหม่กันนะพอวันดีคืนดีเกิดมีอุบัติเหตุมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นร่างกายนี้ก็ตายได้ทันทีทันใดแล้วเราก็จะไม่มีที่พึ่งเราก็ต้องกลับมาพึ่งร่างกายร่างใหม่ คือกลับมาเกิดใหม่เองแล้วกลับมาคราวหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีโฆษณาสินค้าคือมีพระพุทธศาสนามาโฆษณาสินค้าอันวิเศษนี้หรือไม่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบม า, ป, า, าประกาศพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้เห็นคุณค่ากันหรือไม่ เพราะว่าพระพุทธศาสนาของแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้ก็มีอายุมีขอบเขตเหมือนกันเช่นพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านบ อ, อกว่ามีได้อยู่ได้ประมาณห้าพันปีนับตั้งแต่วันที่ทรงประกาศพระศาสนาวันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาหบูชาเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนใช้โฆษณาชิ้นแรกของพระพุทธาศาสนาพอโฆษณาครั้งแรกนี้ก็มีสาวกปรากฏขึ้นมาหนึ่งลูกเลยฟังแล้วติดใจขอสมัครเป็นสมาชิกพระอรญยโกนทัญญะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมองค์แรกในพระพุทธาศาสนา หลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็หูตาสว่างขึ้นมาเห็นว่าที่พึ่งของเราตอนนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาคือร่างกายของเราต้องสลัดที่พึ่งอันนี้ต้องเปลี่ยนที่พึ่งอันนี้ไม่ไปยึดไม่ไปติดกับที่พึ่งอันนี้ต่อไป นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเรานี้ได้มาสัมผัสได้มาเห็นโฆษณาของพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่าขนาดไหนและวิธีที่จะทําให้เราได้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้ด้วยอย่างไร นี่เป็นโชคของเราที่ได้มาเจอโฆษณาของพระธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าชาติหน้ากลับมามัานอาจจะเกินห้าพันปีไปแล้วก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปใช้บาปใช้บุญอีกกี่กี่ปีกันแล้วไปเกิดที่ประเทศไหนก็ไม่รู้ไปเกิดที่ดวงดาวดวงไหนก็ไม่รู้ ในจักรวาลนี้อาจจะมีดวงดาวอกีกหลายดวงที่มีคนอยู่เหมือนโลกใบนี้ก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในตอนนั้นหรือไม่ถึงแม้จะมาเกิดในโลกที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ถ้าอยู่กันคนละสีกโลกบางทีก็ไม่รู้เรื่องกันก็ได้สมัยก่อนที่เราไม่มีการสื่อสาร ไม่มีการติดต่อกันไม่มีการเดินทางเหมือนสมัยนี้คนอยู่อีกซีกโลกหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามีคนอยู่อีกซีกโลกหนึ่งคนที่อยู่ทวีปอเมริกากับคนที่อยู่ทวีปนี้ <sk pulp> ก็ไม่รู้ว่ามีอยู่กันเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีอยู่ที่นี่เขาเราก็ไม่รู้ว่ามีเขาไม่อยู่ที่นั่นเพราะเราไม่ไม่ได้เดินทางติดต่อกันพ อ, อมาพอมนุษย์เราสร้างโรงสร้างเรือขึ้นมา สามารถนั่งเรือไปก็เลยได้ไปพบกับทวีปใหม่ก็ไปเจอคนที่เขาอยู่ในทวีปนั้นกันแต่เขาก็มีความรู้มีอะไรไม่เหมือนกับเราพวกเราโชคดีมาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนา สึกพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี่มีอยู่พันกว่าปีถ้าจำไม่ได้นะศึกษามีพระอรหันต์สองรูปท่านเดินทางมาจากประเทศอินเดียมาเผยแผ่ศาสนาในดินแดนสยามที่ว่าหนึ่งพันปีหลังจากที่พระพุทธเจ้ า, าจากไปแล้วมั้ง ถ้าหนึ่งันปีก็ยื่ศาสนาพุทธก็มาอยู่ในประเทศไทยประมาณพันห้าร้อยกว่าปีก็เลยฝังลึกในในดินแดนของเราพวกเราทุกคนเกิดมาก็มีพระพุทธศาสนาฝังอยู่ในใจกันแต่ว่าฝังแบบไม่ลึกฝังแบบไม่ไม่แน่น คือเรารู้จักพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมประเพณีมากวากว่ารู้จักพระพุทธศาสนาจากโฆษณาคือเราไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมกันเราเป็นพุทธแต่เราก็พูดแบบทาตามประเพณีกันโดยที่ไม่รู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีสาเหตุอย่างไรที่ให้เราต้องทำกัน ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนากันได้ถ้าไม่ศึกษาถึงแก่นจะไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ถึงขั้นปฏิบัติศึกษาให้เห็นขั้นปัญญา ให้เห็นคุณค่าของพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจส่วนใหญ่เราก็ได้ยินกันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ซึ่งพึ่งอันประเสริฐแต่ไม่มีใครมาอธิบายว่ามันประเสริฐอย่างไรเป็นที่พึ่งอย่างไรกันเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแต่วันนี้ได้ได้มาขยายความได้อธิบายให้ฟังว่าวิเศษตรงที่ว่า มันดีกว่าร่างกายร่างกายนี้หาความสุขให้เราได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งหลังจากนั้นมันก็จะหมดสภาพไปความสุขที่เราได้จากร่างกายก็จะหมดไปแต่ความสุขที่เราจะได้จากการจากการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันจะไม่มีวันหมด แล้วมันเป็นความสุขที่ดีกว่าในตรงจุดนี้ไม่ค่อยมีใครอธิบายให้ฟังกันก็เลยไม่รู้คุณค่าของพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่าอย่างไรไม่มีใครเปรียบเทียบให้ฟังว่าความสุขทางธรรมนี่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางโลกถ้าวอนไม่เหมือนทางโลกที่เป็นความสุขชั่วคราว ความสุขที่จะต้องหมดไปแล้วกลายเป็นความทุกข์ตามมาเวลาเราเสียความสุขทางโลกไปอะไรจะตามมาก็กวามความทุกข์เวลาเวลาจะต้องกเกษียณอายุราชาการนี่อยา ก, กเกษียณไหมเราอยากจะไม่ให้มีวันกเกษียณอยากจะทำไปเรื่อย ทำไปก็มีราบมียศให้ได้ เ, เสพได้ใช้พอถึงวันกเกษียณแล้วหมดแล้วยศก็หมดไปละราบคือเงินเดือนก็หมดไปละได้ก็อาจจะเป็นบำนาญบำเหน็จไปยังไม่มีอยกกะเกษียณกันใช่ไหม ถ้าเราให้ลงประชามติระหว่างข้าราชการด้วยกันว่าจะให้มีวันกเกษียณหรือไม่มีนี่คิดว่าจะเสียงจะออกมาทางไหนให้ลาออกเองด้วยความสมัครใจถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากออกก็ทําไปจนวันตายรับน้องได้ว่าไม่มีใครอยากจ ะ, กะเกษียณเพราะเกษียณแล้วมันทุกข์ใช่ไหมมันเสียความสุขเสียราบเสียยศไป นี่แะคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของราบยศจัละเสรินที่เรเรียกว่าอนิจจงอนิจจาเป็นของชั่วทาวมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมมีเกิดแล้วก็มีดับอนัตตาก็คือไม่ใช่ของเราเดี๋ยวตำแอย่างนี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปเดี๋ยวพอย้ายไปหรือเกษียณไปก็คนอื่พ อ, อใหม่ก็มาแทนที่ เป็นของเราชั่วคราวถ้าเรายึดเราติดเราก็จะเสียใจเวลาที่เราเสียมันไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความสุขที่ได้จากตำแหน่งกลายเป็นความทุกข์เวลาที่มันเสียไปหมดไปไม่เหมือนกับความสงบนี้ไม่มีใครมาแย่งเราไปได้เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้นี้เป็นของเราหมดไม่มีวันกเกษียณไม่มีวันหมด ไม่มีใครมาเอาไปได้ใครอยากจะได้ก็ต้องไปทำเอาเองกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จ ะ, ะมีความสงบนี้ได้เท่าเทียมกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองพวกเรานี้มีสิทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้ามีสิทธิ์เหมือนกับพระอรหันตาสาวก์ทั้งหลายเพราะท่านกับเราก็เป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกันมีอาการสามสิบสองเหมือนกัน มีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันมีสติปัญญาความรู้ความคิดเหมือนกันสามารถที่จะเป็นพระอหรหันต์ได้นทุกคนเหมือนกับนักศึกษาที่เขาสามารถจบปริญญากันได้ทุกคนใชนั้นอยู่ที่ว่าเขามีความพยายามมีความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติตามที่ มหาหอะไรได้วางหลักสูตรไว้หรือไม่ถ้าเขาขยันเขาตั้งใจก็ได้ที่ทุกคนพวกที่ไม่ได้ก็เพราะไม่ตั้งใจกันโดนเลแทนที่จะเอาเวลามาศึกษาก็อเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็เลยเรียนไม่จบกันไปมีแฟนกันซสก่อนเนี่ย ไมมีแฟนมีลูกกันซะก่อนก็เลยเรียนไม่จบกันแต่คนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่ไปเที่ยวไม่ไปเล่นไม่ไปมีแฟนไม่ไปมีลูกมีเต้าเขาก็เรียนจบปริญญากันแต่พวกเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพาระอานันทสาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเราไม่มีอะไรแตกต่างกัน เป็นมนุษย์เหมือนกันถึงว่าจะมีความเก่งมีความฉลาดมีความขยันมากน้อยต่างกันแต่ก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ไม่มีความขยันก็สร้างขึ้นมาได้ไม่มีความฉลาดก็สร้างขึ้นมาได้คนเราไม่โง่ไปตลอดหรอกถ้ามีความอยากจะฉลาดนี้มันฉลาดได้วิธีทำให้เราฉลาดนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้แล้ว ไปอยู่กับคนฉลาดเนี่ยไปอยู่กับบัณฑิตคบบัณฑิตอย่าไปคบคนง้ า, าคบคนง้ก็ไม่มีวันที่จะฉลาดได้ต้องไปคบบัณฑิตบัณฑิตก็คือเนี่ยครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราไปศึกษาเรียนตั้งแต่อนุบาล น, นี่ก็เราก็เข้าหาบัณฑิตตั้งแต่วันแรกของการไปโรงเรียนโนระงเรียนนี่เป็นที่ที่อยู่ของบัณฑิตทั้งหลาย อนุบาลก็มีบัณฑิตของอนุบาลปถมมัธยมก็มีบัณฑิตของปถมมัธยมมหาหลัยก็มีบัณฑิตของมหาหลัยพอเราได้อยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตได้ยินได้ฟังคาสอนของเขาเราก็ฉลาดขึ้นมาจะในที่สุดเราก็กลายเป็นบัณฑิตขึ้นมาเวลาเรารับประกาศนียบัตรรับปริญญาเขาก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตแล้วนะ เนติบัณฑิตวิศวะบัณฑิตเอเพราะว่าเราได้อยู่ได้คบกับบัณฑิตท่านถึงบอกการครบบัณฑิตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทําให้เราได้กลายเป็นบัณฑิตไปถ้าเราอยากจะเป็นพระสาวกเราก็ต้องไปคบกับพระพุทธเจ้าคบกับพระอาจาร์ตัสาวกคบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนย แล้วไม่นานเดี๋ยวเราก็ตายเป็นพระสาวกขึ้นมาพระพุทธเจ้ามีลูกชายอยู่องค์หนึ่งพระราหุลเวลาที่สั้นหลังจากที่พุทธเจ้าทรงตัดจะรู้แล้วก็ไปเยี่ยมแม่ก็เลยบอกให้ไปขอมรดกจากพ่อจากพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าบอกมรดกของเราก็คือเป็นพระอาหารหนะันต์นะก็เลยจับไปบวชเลย จะไปบวชตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบหนึ่งเราก็ได้อยู่ได้ศึกษากับพระพุทธเจ้ามีพระสาลรีบุชเป็นพี่เลี้ยงเป็นไม่นานก็ได้เป็นได้จบได้เป็นพระอนานาขึ้นมานมันอยู่ที่สิ่งแวดแล้อมเราเป็นมนุษย์นี่เรามีศักยภาพแล้วที่จะเป็นเหมือนกับที่พุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นได้ แต่ส so so He ิ่งท so ี่เราขาดตอนนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมเราไม่ไปอยู่กับบัณฑิตกันเราไม่ไปอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเราไปอยู่กับพวกไก่ที่ได้พลอยกันเราไปอยู่กับพวกที่หาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นนอกันเราก็เลยได้แต่ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นนอเราก็เลยไม่ได้ธรรมกันถ้าเราไปอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไปอยู่วัดเนี่ยไปบวชไปอยู่วัดเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กลายเป็นพระสาวกขึ้นมาเองพระสาวกทั้งหลายที่เรากราบไหว้กันก็ท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรามาก่อนแล้วพอได้ไปอยู่วัดได้ไปศึกษาได้ร่ำเรียนไดป้ปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วท่านก็กลายเป็นพระสาวก ข, ขึ้นมาเห็นนพวกเรานี่มี มีศักยภาพมีความสามารถที่จะเป็นได้อยู่ตรงที่ว่าเราเห็นคุณค่าของพระธรรมหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรายังเห็นว่าลาบยศสา ร, รเสริญสุขมีคุณค่ากว่าพระธรรมเราก็จะไปไม่ได้เราก็จะไม่ไปหาพระธรรมแต่ถ้าเราเห็นว่าพระธรรมนี้มีคุณค่ากว่าลาบยศสา ร, ร, รเสริญสุก เราก็จะไปหาพระธรรมกันเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็เห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุขในสู้พระธรรมไม่ได้เพราะท่านเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่ามันจะต้องสิ้นสุดท่านก็เลยสละราชสมบัติแล้วก็ไปสแสวงหาพระธรรม ไปอยู่กับผู้ที่รู้ธรรมไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ในยุคนั้นไม่มีใครรู้พระธรรมขั้นสูงสุดรู้พระธรรมขั้นแค่สมาธิแค่ขั้นฌานคือขั้นศีลขั้นสมาธิแต่ไม่มีใครรู้ขั้นปัญญาศีล ส, สมาธินี้จะให้ความสุขกับใจได้ในระดับหนึ่งรักษาศีลแล้วใจก็จะ ปลอดภัยจากความทุกข์วุ่นวายใจจากการทำผิดศีลนั่งสมาธิจิตสงบก็ได้ความสุขนะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่พอออกจากสมาธิมาก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะต้องทุกข์อีกเพราะยังหนีไม่พ้น ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิพระพุทธเจ้าก็เลยต้องหาศึกษาค้นคว้าหาเองในที่สุดก็ทรงค้นพบสาเหตุของความทุกข์สาเหตุที่ทําให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ที่เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นได้ว่าร่างกายนี้เป็นดินน้ำนมไฟเป็นของดินน้ำนมไฟที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ไม่มีใครห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้ที่ทุกข์กับร่างกายก็เพราะอยากไม่ให้มันแก่อยากไม่ให้มันเจ็บอยากไม่ให้มันตาย พอหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับเรายอมรับุเวลาที่เราจะต้องกเกษียณในยุคกันคนส่วนใหญ่นะยอมรับเพราะรู้ว่าต้องกเกษียณน้ําฝืนไม่ได้ห้ามไม่ได้พอเสียกเกษียณจริงๆก็ไม่ทุกข์มาก ถ้าทุกข์ก็มีบ้างเพราะยังทําใจไม่ค่อยได้ก็มีแต่ผู้ที่ทําใจได้ก็ไม่ทุกข์ผู้ที่ฉลาดก็เตรียมหาอะไรสารองไว้ก่อนก็ได้หางานอื่นทําต่อพอกเกษียณจากงานนี้ก็มีงานอื่นทําต่อมันก็ไม่ทุกข์แต่ไม่ทุกข์กับกา ร, กรเกษียนเพราะรู้ว่าต้องกเกษียนงานนี้ไม่ใช่ของเราตําแหน่งนี้ไม่ใช่ของเราต้องขึ้นเจ้าของเข้าไป ร่างกายเราก็เป็นเหมือนงานนี้ร่างกายของเราก็ต้องกเสษียนอายุร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นของเราเราไปยืมมาจากดินน้ำลมไฟมาปั้นให้กลายเป็นร่างกายนี้ขึ้นมาเอาดินมาผสมกับน้ำเอาลมเป่าก็าไปเอาไฟเป่าเป่าก็าไปมันก็เลยกลายเป็นคนขึ้นมากลายเป็นร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้อง แยกตัวกันไปดินก็ต้องไปทางดินน้ำก็ไปทางน้ำลมก็ไปทางลมไฟก็ไปทางไฟไม่มีใครยับยัง้งการแยกสลายของดินน้ำลมไฟได้มันเป็นธรรมชาติที่มันมีรวมตัวแล้วก็มีการแยกตัวกันถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เตรียมรับกับวันที่มันจะแยกกันพอมันแก่เราก็จะไม่เติรนเต้นเดือดร้อน มันเจ็บมันก็ไม่ตื่นเต้นเดือดร้อนมันตายเราก็ไม่ตื่นเต้นเดือดร้อนถ้าเรามีอย่างอื่นมาแทนทาแทนมันถ้าเรามีทำเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสงบเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายก็ได้เราสามารถพึ่งความสงบได้ให้ความสุขกับเราต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายด้วยปัญญาด้วยความเห็นความเป็นจริงของร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเรามันจะต้องมีวันจากเราไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยมันพร้อมที่จะให้มันไป ถ้ามันพร้อมจะให้มันไปแล้วเราจะไม่ทุกข์เหมือนกับตำแหน่งที่เราจะต้องยยโยกย้ายไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องโยกย้ายไปแต่ตอนนี้เราไม่ทุกข์เพราะเรามีตำแหน่งรองรับเนี่ยย้ายจากที่นู่นมาได้ตำแหน่งนี้ดีกว่าตำแหน่งนู้นก็ยินดีกันทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราย้ายจากร่างกายไปสู่ความสงบได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะยินดีย้าย ย้ายจากรองอาธิตย์บดีไปเป็นอาทิตย์บดีมีใครไม่อยากย้ายมั้งอยากจะย้ายเงินทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันย้ายจากการพึ่งร่างกายไปพึ่งใจพึ่งของที่ไม่ถาวรไปพึ่งในของที่ถาวรอันนี้ไม่ดีเหรอก็ดีกว่าอยากลองไปเป็นอาทิตย์บดีนี่ ใ, นใครก็อยากไปทั้งนั้นแต่ถ้าทางกลับนี่ไม่มีใครอยากไป จากกระทิบดีมาเป็นลองนี่ไม่มีใครอยากแกไปกันหรือจากกระทิบดีไปศูนย์โดยยิ่งแย่ใหญ่เลยเวลากเกษียณปั๊บนี่มันก็ศูนย์กลับไปที่ศูนย์จึงไม่มีใครอยากจ ะ, กะเกษียนกันแต่ถ้าศึกษาแล้วว่าอยากไม่อยากมันก็ต้องกเกษียณถ้าไม่อยากก็จะทุกข์ถ้าอยากก็จะไม่ทุกข์ก็อยา ก, กเกษียนไปก็อยา ก, กเกษียน มองลงในแง่ดีมันจะได้ไปปฏิบัติทำไปนั่งสมาธิไปได้ที่พื่งที่ดีกว่าอันนี้มันก็กเกษียณได้อย่างมีความสุขนี่คือจุดหักเห ข, ของ จ, จิตใจของพวกเราจากการที่เราไปเห็นลาบยศสรรเสริญสุขนี้ดีกว่าทำเมื่อเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วได้รับการเปรียบเทียบ ให้เห็นว่าธรรมนี้ดีกว่าราบยศสาะเสริสุดเราก็เปลี่ยนหักเหทิศทางของการเดินของเราได้ต่อไปนี้อาจจะเริ่มรักษาศีลแปดทุกวันพระ้วก็ได้ทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันวิธีใส่บาตรโดยที่ไม่ต้องมีพระมาก็ทำได้เอาเงินที่จะใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไว้ก่อนก็นได้ อยากจะทําบุญใส่บาทวันละยี่สิบาทก็ใส่ไปพอถึงเวลาจะทําบุญก็เอาเงินที่ใส่บาทเนี้ยเงินใส่กระปุกนี้ไปทําบุญได้เลยเราจะไดะ้มีเงินไปทําบุญถ้าเราไม่เก็บเงินทําบุญไว้เดี๋ยวเวลาถึงเวลาจะไปทําบุญก็ไม่มีเงินใช่ละเลยไม่ได้ไปแกะพอะมัวแต่เอาเงินไปเที่ยวไปอะไรกันซื้อของฟุ่มเฟือยกัน พอถึงเวลาจะไปทําบุญก็ทําไม่ได้เริ่มทําได้ก็ น, น้อย <Yeah. S 1> เช่นวันเกิดก็อาจจะทําได้ น, ดนิดนิดหน่อยหน่อย <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราทําทุกวันทุกวันสะสมไว้ก่อน <Yeah. S 1> พอถึงวันเกิดเราโอยเรามีเงินเป็นหมื่นทําบุญได้เลย <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราควรที่จะทํากัน <Yeah. S 1> เพราะถ้าเราเรอวันที่เราจะทําแล้วเราไม่เก็บเงินเก็บทองไว้ทํามันจะ ทำไม่ได้มากมันจะทําแบบเป็นพิธีไปมากกว่าทําพอเป็นพิธีนะั้นมันก็ได้น้อยแต่ถ้าเราทําทุกวันนี้มันจะติดเป็นนิสัยแล้วพอถึงเวลาทํานี้เราจะมีเงินทําได้เยอะอทําบุญทําทานไปเรื่อยๆทุกวันวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไปเห็นเทพไปวันพระ ก, ก็มาลองหัดเป็นพรหมกันเอ มาเธอสีงแปดมานั่งสมาธิปิด ท, วดดทวีวีปิดตู้เย็นใส่กุญแจไม่เปิดหลังจากเชียงวันไปแล้วปิดตู้เย็นล็อกกุญแจฝากกุญแจไว้คนอื่นปิดทีวงทีวีแล้วก็มานั่งเปิดหนังสือธรรมะเปิดซีดีฟังมานั่งสมาธิกันมันต้องทำมันต้องหัดทำของเหล่านี้มันก็เหมือนกับขับรถหรือพิมพ์ดีเนี่ย ถ้าไม่หัดต่อให้อยู่ไปยี่สิบปีมันก็ขับไปได้แต่ถ้าหัดกลับไปไม่กี่เดือนมันก็ขับได้กันไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ขับกันเก่งพิมดีนี่ก็พิมได้ถ้าอยากจะพิมดีนี่ลองไปหัดพิมดูสักพักเดียวเดี๋ยวก็พิมได้เองแต่ถ้าไม่หัดจนวันตายมันก็พิมไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่มาหัดถือสินแปดจนวันตายก็ถึงไม่ได้เชื่อไหมถ้าไม่มาหัดนั่งสมาธิจนวันตายก็นั่งไม่ได้ แต่ถ้าเริ่มหัดเอาวันพระเอาสักวันหนึ่งวะมาหัด น, นั่งสมาธิกันมาหัดถือศีลแปดกันเดี๋ยวมันก็ใครมันก็ทําได้ทําได้มันก็อยากจะทํามากขึ้นเพราะมันดีอะ่ะเอคนที่หัดขับรถได้แล้วเลิกขับไหมไม่เลิอกอะ่ะขับเป็นแล้วทีนี้ก็หารถขับแล้วสิขับไปจนวันตายแล้วทีนี้ขับไปจนกลัวจะขับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้รักษาศีลแปด แล้วจะติดใจเรานั่งสมาธิได้แล้วจะติดใจก็อยากจะทํามากขึ้นไปเองจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันแล้วพอกเกษียณก็ทํามันทุกวันเลยก็ได้นี่คือขั้นตอนของการที่เราจะหันเหชีวิตของเราจากทางที่พาเราไปสู่การเวียนว่าตายเกิดให้ไปสู่ทางที่จะ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันอีกต่อไปเริ่มต้นที่การศึกษา <c oughs> การดูโฆษณาของพระพุทธศาสนาการฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะนี้เป็นเหมือนกับการดูโฆษณาของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่าอย่างไรพอเห็นคุณค่าของศาสนาแล้วก็จะได้ปฏิบัติตาม ก็เหมือนกับไปซื้อสินค้าการปฏิบัติต่างก็เหมือนกับไปซื้อสินค้าซื้อมามาใช้กันปฏิบัติก็เหมือนกับไปเอาสินซื้อสินค้ามาใช้กันพอปฏิบัติไปก็เห็นประโยชน์จากผลที่เราได้รับว่ามันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงก็จะหายไปหมดเลยความทุกข์ความวุ่นวายใจต่าง จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอย่างนั้นถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ขอให้มันศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วก็นองนำเอาไปปฏิบัติ ด, ดูถึงจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทางปวงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้ผ่อน ยะถาวาริวหาปุราภิริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปัต um ิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุส ah ังกปายันโทปนะระโสยะถามานิโชติ ระโสยะธาสภีตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีขายยโกภะอภพิวทธนสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธามาวะทานติอายุวโนสุขัง อาลางาว่ายังไงครอบอาจารย์มาจากไหนเหลยมาออยาอมีอะไรเหรอะมีวันนั่นใจจะมาปวดฮะวันนั่งใจมัจะมาปวยค่ะอาจารย์เออต้องไปติดต่อกับที่วัดยหนะที่ัอ่ากุฏิเบอร์สี่เขาจะรับเรื่อง บวชกันข้าวบนนี้ไม่ได้รัำบวชนะข้างล่งางก็เต็มแล้วค่ะเต็มแล้วก็เต็มเลยเนี่ยที่นี่ก็เต็มแล้วอ่าคนบวชกันเยอะมันก็เต็มมาหาไรเขาก็มีโค้ต้าเต็มเขาก็รับไม่ได้ก็ต้องไปหาวัดที่เขาไม่เต็มบวชวัดไหนก็ได้มันอยู่ที่ัวตัวเราไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่การปฏิบัติ อันนี้ธรรมะคําสอนก็สามารถศึกษาได้จากหนังสือจากซีดีจากจา ก, าจากสื่อต่างๆดังนั้นบวชวัดไหนก็เหมือนกันสามารถเอาคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาไปไปศึกษาไปปฏิบัติได้ครับไม่ต้องไปอยู่วัดเดียวกับท่านก็ได้ถา้าไม่มีที่ถ้ามีที่ก็ดีก็บวชไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอมีที่เราก็มาอยู่ได้ ข้างบนนี่ไม่มีบวชจะจะบวชต้องบวชที่วัดล่างอืแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนบวช ถ, ถวายในหลวงกันเยอะก็เลยไม่มีที่ก็ต้องไปบวชที่วัดที่ไม่มีที่ไม่มีคนเข้าบวชกันไปอยวัดคนน้อยๆดีวัดเ<ช>ยอะๆก็อ่ะใช่ครับอ่าอยู่ที่นั่นเหมือนการเอาหนังสือซีดีไปอ่านไปฟังไปปฏิบัติกัน่ะค ก็เหมือนกันติดตามถ่ายทอดสดได้ทุกวันเดี๋ยวนี้ศึกษาทางไกลได้โดยไม่ต้องอยู่ด้วยกันอ่หยิบไปเลยน้องเสือก็หยิบไปได้เนี่ย เราผ่านกลับไปแล้วป่ะไม่เอาไม่เอาแล้วตั้งเรื่ออะไเอาแทานี้เป็นอะไรกันนะท่าที่มาอ๋อไปไปไปอ๋อเอาเถอะเดี๋ยวเช้าผ่านเมื่อกี้ได้มาไหนไปบูชา ถ้าต้องการนึงซื้อสีดีก็หยิบได้นะไมลครับีกคยอยากจะถามอะไรไหมช่วงนี้เป็นช่วงเปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆดังๆหน่อยดังๆไม่ได้ยินเจียงพี่หนูฟัง คลลึศนาที่พะอาจารย์เคยเทศอะค่ะพาจารย์กล่าวว่าการที่เรานั่งสมาธิเราเจอเวทนาเนี่ยเราเราสามารถถ่ายไปด้วยสติ mm hmm. เช่นบริกรรมฟุกโถเนี่ยประโยชน์อย่างนึงก็คือเราเราจะรู้ได้ว่าเวทนา น, นั้นมันไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอะไรกัดรุนแรงําให้เราเป็นอะไรไปครั้งต่อไปเราก็จะได้ใช้ปัญญากล้าที่จะใช้ปัญญาในการที่จะถ่ายมันเพราะเรารู้ว่ามันไม่ไม่ได้ทำลาย mm hmm. ครับคราวนี้แสดงว่าเวลาที่เรา เราเคยผ่านมด้วยสติแล้วเนี่ยครั้งต่อไปที่เรานั่งนั่งสมาธิเราเจอเวทนาเราควรจะใช้ปัญญาดับเวทนาทุกครั้งใช้ได้ก็ดีถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้พุทโธไปก่อนใช้สติไปก่อนเพราะปัญญานี่มันก็มันก็เป็นของที่ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เราเห็นว่ามันมันเป็นอนิจจมทุกขังอนัตตา ถ้าเราเห็น ว, ว่าเวทนา this เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอย่างชัดเจนเราก yep ็จะปล่อยเหมือนถ้าเราจับงูแล้วเราไปคิดว่าเป็นปลาไหลเราก็จะไม่ปล่อยพอเราฉายไฟเห็นมันว่าเป็นงูพิษเราก็จะปล่อยทันทีเราต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะปล่อยเห็นว่าทุกเราทุกเพราะเราไปอยากให้มันหายพอรู้ว่ามันทุกเพราะอยากให้มันหายแล้วก็หยุดอยากเมอมึงจะอยู่ก็อยู่ไ th ป มันก็หายทุกข์ขึ้นมาเองแต่ถ้ามันไม่เห็นทุกข์มันก็จะไม่ปล่อยถ้ามันไม่เห็นอนัตตาว่าห้ามมันไม่ได้มันก็ไม่ปล่อยบางทีคือความทุกข์หรือเวทนาแต่ละแต่ละชนที่มันเกิดอะค่ะบางทีถ้าเราดับได้อย่างเนึ่งเราบางทีมันก็ยังไม่ไม่สามารถดับอย่างอย่างอืงอ่นที่ไม่เหมือนกันมันไม่ได้ก็ดับไปสินนั้นเหมือนกันก็มันคนเอมันคนละตัวกันคนละคนเนี่ย ตัวไหนที่ยังดับไม่ได้ก็ต้องดับไปตัวนี่ไหนดับได้นะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วอืมตอนนี้พอถ้าเกิดดับได้เนี่ยก็คือใจมันก็สงบลงตอนนี้หนูหนูไม่ไแน่ใจอย่างคือว่าถ้าเกิดเราเราใช้ปัญญาแล้วมันใจสงบได้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้สติจเจริญสติไปเนี่ยมันจะรวมได้ลึกกว่าหรือเปล่าไม่แล้วปัญญามันลึกกว่าอืมปัญญามันถองลากถองนิโคลเลยอืม มันลึกเท่ากันนะแต่มันรวมมันก็รวมเท่ากันแต่ว่ารวมแบบสตินี่มันมันรวมเป็นครั้งเป็นคราวไปเจอมันทีไรก็ต้องมันก็ยังไม่ตายถ้ารวมแบบปัญญานี่มันตายมันไม่กลับมา ไม่มีใครว่าอนะไรนั่นจะได้คนทางบ้านเขาว่ากันบ้างอ้าวเชิญทางบ้านโทนี่ม า, าป่ะวันนี้โทนี่ Where are you How are you คำถามจากคุณศิรพัฒน์นะครับหากว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาและอยู่ในสำนักที่มีครูบาอาจารย์ที่มีธรรมะชี้แนะและปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำ ของครูบาอาจารย์นั้นตามระบบของสำนักนั้นๆอยากถูกต้องต่อเนื่องสักสิบปีจะสามารถบรรลุพ้นความทุกข์ไปได้แน่แท้หรือไม่หรือมีปัจจัยอื่นใดที่จะต้องมีเพื่อทำให้พ้นทุกข์ในชาตินี้อีกหรือไม่ก็ไปดูสำนักนั้นว่าเขาผลิตผู้พ้นทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าเขาผลิตได้เราก็ไปอยู่สำนักนั้นมันก็เราก็ต้องได้ เหมือเราไปเรียนมหาลัยถ้ามหาลัยนี้เรียนแล้วไม่มีใครจบก็เราจะเราก็ไม่ไปเรียนยแล้วเราก็ไปเลือกมหาลัยที่เขาเรียนแล้วจบกันแล้วก็ไปเรียนที่นั่นมันก็จบมันก็เหมือนกันเหมืนกับมหาลัยคําถามข้อต่อไปนะครับคําถามจากคุณอีเดนนะครับบุญแบบไม่ใช้เงินทําบุญแบบไม่ใช้เงินได้ไหมคะ ถ้าไม่มีเงินทำบุญต้องการทำบุญทำได้ไหมคะมีวิธีไหนได้ก็รักษาศีลไปภาวานาไปคำถามจะคุณนาโนจิตเกิดดับเป็นอย่างไรในขันห้าและปฏิจจสมุปบาทคำว่าจิตนี่มันมีหลายความหมาย คือตัวจิตอย่างนี in people, Wait, ้มันไม่มีเกิดไม่มีดับตัวรู้นี่ไม่มีเกิดไม่มีดับแต่ตัวอาการของจิตนี่มีเกิดมีดับคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงขิงพ่อยแต่มันไม่หายมันมีอยู่แต่มันมันเกิดดับเกิดดับไปคิดแล้วมันก็หายไปแล้วก็คิดใหม่มันก็เกิดดับเกิดดับอนี้จาได้แล้วก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวก็จาใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเกิดดับแต่มันไม่ อันตรธานหายไปไม่เหมือนร่างกายที่พอมันดับแล้วมันหายไปเลยกลายเป็นดินน้าลมไฟไปแต่นามขันนี้มันไม่หายมันอยู่คู่กับจิตเพียงแต่ว่ามันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงเห่งห้อยเท่านั้นเองคําถามข้อต่อไปจากคุณไทยแลนด์ถ้าทําผิดศีลห้าทางกรรมในปัจจุบันจะยังถือศีลห้าได้ไหมครับ ได้ผิดมากกี่ครั้งก็ถือใหม่ได้แต่ที่ผิดไปแล้วก็ต้องไปใช้กรรมไปเหมือนทําผิดกฎหมายแล้วเราเปลี่ยนมาเลือกเลือกทําผิดกฎหมายเราก็ก็ทำได้เห็งแต่ว่าการกระทําผิดกฎหมายเก่าถ้าเข้ามาจับเราได้เราก็ต้องไปใช้โทษเท่านั้นเองอต่ถ้าเราไม่ทําผิดกฎหมายอันใหม่มันก็ไม่มีโทษตามมา คำถามจะคุณตันหาภาวะตันหานะครับโทรจิตหมายความว่าอะไรขอรับแล้วคนที่มีโทรจิตจะมีคุณประโยชน์หรือโทษอย่างไรจะต้องเป็นคนดีหรือไม่ทางออกจากโทรจิตมีไหมโทรจิตแตงตางแผล ต, ตางกับอูทิปอย่างไรถ้าคนมีโทรจิตจะต้องทำอย่างไรที่สุดแห่งสังขารดับไปโทรจิตจะยังอยู่ไหม คือโทจิตนี้เป็นความสามารถพิเศษของจิตที่จะติดต่อกับจิตของผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเช่นพระพุทธเจ้าติดต่อกับจิตของเทวดาได้อันนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะเทวดาไม่มีร่างกายเทวดามีแต่จิตไม่มีร่างกายพระพุทธเจ้าก็ใช้พลังจิตที่เรียกว่าปรปรจิตตวิชาโทจิตคือสามารถติดต่อกับผู้ที่ไม่มี จิตที่ไม่มีร่างกายได้หรือสามารถอ่านจิตของผู้ที่มีร่างกายได้อย่างพวกเราที่นั่งกันอยู่นี่กำลังคิดด่าใครนี่ถ้าคนที่เขามีโทโรจิตเขาก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันกำลังด่าคนนั่นอยู่อ่ะอันนี้เรียกว่าโทรจิตคือความสามารถที่จะติดต่อกับจิตของผู้อื่นได้คนที่จะได้หรือไม่ได้นี้มันไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิ พรบางคนนั่งสมาธิแล้วไม่ได้ก็มีคนที่นั่งสมาธิแล้วได้ก็มีเราเรียกว่าเป็นวัสนาเดิมวัสนาเก่าความสามารถเดิมที่เคยได้ฝึกฝนอบรมมาจากในอดีตเนืงจากบางคนที่นั่งสมาธิแล้วจิตรวมแล้วก็บางคนก็สามารถใช้โทระจิตได้บางคนก็ไม่มีโทระจิตใช้ในทางปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนี้ก็ไม่สําคัญ ว่าโทราจิตนี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังก็เลยไม่เป็นประเด็นสาคัญสาหรับผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์จะมีโทราจิตก็ได้ไม่มีโทราจิตก็ได้ไม่สาคัญมีก็อาจจะไม่ดีเพราะอาจจะทำให้หลงทางได้แทนที่จะไปทำจิตให้สงบให้มีพลังเพื่อต่อสู้กับกิเลสก็เอาจิตมาเล่นกับโทราจิต มาเป็นหมอหมอดูทํานายทายทักไปก็ เ, เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเอามาเป็นเครื่องมือทํามาหากินหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก็ เ, เลยไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จากการที่เรามีความสามารถพิเศษนี้แต่เอาความสามารถพิเศษนี้มาผูกให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษเวลาปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทั้งนี้ท่านบอกว่าให้รังงับไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับมันดึงใจให้เข้าสู่ความสงบอย่าไปไปติดต่อกับกา ย, ท, กายทิพย์กายเทพอะไรต่างๆเสียเวลาไว้รอให้เรียนจบก่อนให้หลุดพ้นก่อนแล้วค่อยไปติดต่อกับเทพไปสั่งสอนเทพสั่งสอนพูดผีปีศาจต่างๆได้แต่ตอนนี้ถ้ายังไม่หลุดพ้นอย่าเพิ่งไป ยุ่งเกี่ยวกับมันพยายามดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิให้ได้เพื่อจะได้เกิดอุเบกขาเกิดกำลังที่จะต่อสู้กับตัญหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้เมื่อทําลายตัญหาหมดไปด้วยปัญญาแล้วทีนี้จะไปติดต่อกับเทวดารูปไหนก็ได้จะไปส่งสอนเทวดารูปไหนก็ได้แล้วแต่เรา ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นอย่าไปเสียเวลาหรือถ้าเป็นมนุษย์อย่างพวกเราที่ไม่มีโทรโจิตก็เหมือนกันอย่าเพิ่งไปสั่งสอนคนอื่นสั่งสอนตัวเองก่อนปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนแล้วค่อยไปสั่งสอนผู้อื่นามัวแต่ไปสั่งสอนผู้อื่นก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติมาทำให้ตนเองหลุดพ้นก็ยังจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ถ้าคนที่ได้พวกของพิเศษแบบเนี้ยแต่จิตยังไม่ถึงโลกุตตะยังเป็นโลกียะอยู่ถ้ามันเสื่อมแล้วก็มีโอกาสทํากลับกลับมาได้ก็อย่างที่บอกว่ามันให้ไปทางโลกุตตะไงอยียบมาทางนี้ที่บอกให้ไปไปให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ให้ไปทางโลกุตตะเนี่ยแต่ไปโลกุตตะแล้วมันก็มันไม่เสื่อมแล้วทีนี้ก็กลับมา ใช้พวกนี้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอถ้ายังไม่ถึงโลกุตละลมามัวแต่ใช้อย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงสติเหมือแนบบนักศึกษาที่ไม่ยอมเข้าห้องห้องห้องเรียนไปทำกิจกรรมอยู่เรื่อยๆทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเวลาสอบก็สอบตกสอบตกเดี๋ยวก็บีทายอยู่ไม่ได้ พอไม่ไปทำกิจกรรมที่ต้นเองควรจะกระทำคือเข้าเข้าห้องเรียนเพื่อนไปทำการบ้านเพื่อไปเตรียมตัวสอบมัวแต่ไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนพอถึงเวลาสอบก็สอบไม่ผ่านพอสอบตก บ, บ่อยๆเขาก็เลยให้ออกเรียนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติแล้วไม่ไปดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปมัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นไปช่วยคนอื่น ไปสั่งสอนคนอื่นในอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการมาทําหน้าที่ของตนหน้าที่ของตนก็ไม่ได้รับการดูแลมันก็เรียนไม่จบปฏิบัติไม่ไม่หลุดพน้นก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปพระอาจารย์ครับขออนุ ญ, ญาตเสริมนะครับอนุญาตครับสำหรับผู้ที่ถามเรื่องโทรโจิตนี่เป็นพระผู้เพิ่งบวชใหม่ครับอาจารย์ อืมาจารจะแนะนําอะไรว่าครับไม่รับว่าควรก็นี่ก็พูดแล้วไงไม่ยังไปสนใจอทำใจให้สงบรวมเป็นสมาธิก่อนดีกว่าแต่มันจะไปทางโทรจิตก็ดึงมันกลับมาอย่าปล่อยให้มันไปอดึงด้วยสติเนี่ยดึงด้วยพุโทโธพอมันจะไปโทรจิตก็ดึงมันกลับมาอให้มันนิ่งๆเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่โลภไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงต้องการตัวนี้ต่างหาก ตัวนี้น่ะตัวสาคัญคือความไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเพราะไม่ไม่มีรักชังกลัวหลงก็จะไม่มีความอยากไม่มีกามาตัญหาไม่มีภาวะตัญหาไม่มีวิภวะตัญหาไม่มีตัญหาก็ไม่มีทุกข์ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายตามมาคำถามจะคุณน้อยนะครับจิตรวมคืออาการแบบไหนบ้างคะน้องต้องไานั่งพุทโธพุทโธดูเดี๋ยวก็รู้เอง พอมันโวมแล้วมันก็จะร้องอ๋อถ้ายังไม่อ๋อก็ยังไม่รวมออพูดไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงบอกไปมันก็เอ อ, เ อ, อไปอย่างนั้ น, นขี้เกียจพูดพูดกับคนตาบอดไม่อยากจะพูดเรื่องสีพูดกับคนไม่นั่งสมาธิไม่อยากจะพูดเรื่องจิตรวมว่าเป็นยังไงพูดไปก็เหนื่อยปากเสียน้ําลายบ่บ่าบาคาถามจากคุณกรุงสยามนะครับพระที่ท่านอาบัต แล้วไม่โป่งถ้าตายไปจะได้รับโทษอะไรครับก็ยังก็ทําบาปมันก็ไปรับโทษของบาปถ้าไม่ป่งมันก็ชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นพระใหม่มันก็ทําซ้ําอีกที่ให้ป่งเพื่อจะได้ไม่ไม่ทําซ้ําไม่ไปสารภาพไปประจานตัวเองกับผู้อื่นไงไปบอกกับพระรู้ว่าผมทําผิดข้อนี้แล้วเออต่อไปนี้ผมจะพยายามไม่ทําอีกต่อไปแต่ถ้าไม่ไปบอกใครนี้ก็ มันก็ไม่อายไม่มีความอายไม่มีเฮเรโอตปะมันก็จะทําซ้ำซากไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันถ้ามันไปสารภาพมันก็ต้องอายคนอื่นเขาทํานี้ได้งไงมันก็จะทําให้เราระมัดระวังข่าวต่อไปเราจะไม่ทําคําถามจากคุณวิมลรัตน์นะครับการทําบุญทําทุกวันดีอยู่แล้วถ้าเราอยากทําบุญมีวิธีอื่นไหมคะที่ไม่ได้ทําบุญที่วัด ถ้าบุญบุญที่ที่พูดนี้มันมันก็มีสามขั้นขั้นแรกก็คือทําทานให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองการทําบุญทําทานที่แท้จริงก็คือให้สละเงินทองไปให้หมดเลยให้เลือกใช้เงินใช้ทองจะได้ไปบวชได้ถ้ายังมีเงินมีทองอยู่ก็เอามาใช้ทําบุญดีกว่าเอาไปทําตามความอยาก เพราะการทำตามความอยากเป็นการไปซื้อภพชาติไปซื้อการเวียนว่ายตายเกิดเอาเงินมาทำบุญแล้วมันจะตัดภพตัดชาติตัดความอยากให้น้อยลงไปมันก็ต้องทำอน่างทั้งไม่มีทำนั่นแหละแล้วมันจะได้ไปบวชได้ถ้ายังมีเงินอยู่มันก็ยังไปไม่ได้เพราะมันยัเอาเงินไปซื้อไปซื้อความสุขต่างๆไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกัน จะนาเงินที่จะไปซื้อชาตินี้เอามาซื้อมาตัดภพชาติด้วยการเอามาทำบุญการทำบุญนี้เป็นการตัดภพชาติด้วยเงินทองการเอาเงินไปซื้อของตามความอยากนี้เป็นการไปซื้อภพชาติด้วยเงินทองเราไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเอาเงินไปทาบุญทุกครั้งที่เอาเงินไปเที่ยวไปทาตามความอยากก็ต้องเอามาทาบุญแทนคาถามจากคุณนาโนนะครับ ฌานสมาธิวางจิตอุเบกขาสติบริสุทธิ์อย่างไรครับมันในเกี่ยวกับบริสุทธิ์อย่างไรมันฌานสมาธกิก็การทำใจให้สงบเออบริสุทธิ์ก็ต้องกำจัด ก, กิเลสโนภโกรดลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจทงเรียวกว่า บ, บริสุทธิ์คำถามจะคุณพินแคนนะครับทงทางที่วางอารมณ์เหมือนเดิม แต่ใจยังไม่นิ่งเหมือนวันก่อนๆต้องแก้ไขอย่างไรคะก็ต้องพูดโธต้องสร้างสติขึ้นมามันถึงจะนิ่งได้ที่เคยเป็นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสติเราเราเราหายไปแล้วมันก็หายไปเพราะเราอยากจะให้มันกลับคืนมาเราก็ต้องดึงสติขึ้นมาพอมีสติแล้วจิตมันก็จะนิ่งเหมือนเดิมถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาคำถามจากคุณสงัดนะครับ คือว่าผมบวชอยู่แต่ก่อนบวชผมมีลูกอยู่สองคนครับอยากถามท่านอาจารย์ว่าบวชแล้วเลี้ยงลูกผิดหรือเปล่าครับลูกโตหมดแล้วครับอยู่ที่บ้านแต่ต้องให้กับข้าวที่เหลือพระฉันทุกวันครับอยากจะถามว่าผิดหรือเปล่าคือบวชมานี่ไม่ได้มาบวชเพื่อเลี้ยงลูกบวชมาเพื่อปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรม แต่ถ้ามีข้าวเหลืออยากจะให้ลูกไปก็ให้ได้แต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ต้องมาเลี้ยงลูกนะ แ, แม้แต่พ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงนอกจากพ่อแม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงดูก็ต้องทําไปแต่ถ้าเขาเลี้ยงดูเขาตัวเขาเองได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาคำถามยังไม่มีครับอาจารย์มีใครอยากจะถามงไหมไม่มีเดี๋ยวก็รอเดี๋ยว เดี๋ยวกำลังพิมพ์กันอยู่คำถามจากคุณภาณีนะครับตั้งแต่กลับจากฟังพระอาจารย์เทศหนึ่งครั้งเมื่อห้าพฤศจิกายนและก็มาฟังท่านเทศในเทศอื่นบ้างมันรู้สึกอินเข้าไปกับเรื่องทุกจากการเรียนจากการเวียนไหวตายเกิดและทุกจากการ สังสมพฤติกรรมและสิ่งกระทชที่น่าเบื่อไม่มีสาระชีวิตที่น่าสังสมใดๆซ้ำซากเป็นประจำค่ะก่อนหน้านี้ฟังเทศเรื่องเหล่านี้ไม่รู้สึกอินยังรู้สึกห่างตัวจนรู้สึกเบื่อหน่ายมากเพราะวันนี้ขณะนี้รู้สึกว่าไม่ใช่เป้าหมายชีวิต ไม่ค่อยมีความสุขกับงานและการใช้ชีวิตแต่ละวันนี้เลยค่ะควรจะปรับความคิดหรือความรู้สึกอย่างไรดีเจ้าคะก็ควรปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วความสุขใจก็จะมีมากขึ้นไปตอนนี้ y u ูทูบเข้ามาเท่าไหร่3 1มสิบเิ แล้วเฟดอ่ะเฟวันนี้อยู่ที่อ่าสาม้อยห้าสิบกว่าสามร้อยห้าสบกาเพราะวานี้เข้าถึงแค่แสนกว่าวันนี้ถึงเท่าไหร่แล้วไม่รู้เข้าถึงมธรรมดามันสองแสนกว่าสามแสนเมื่อวานก็สามแสนกว่าเมื่อวานนี้แสนกว่าหายไปไหนกันหมดไม่รไปปิบบาทกันไปทั้ง มมตอนนี้แสนแปดได้ไหไปปวดกนหมดแล้วแต่ตอนนี้แสนแปดเดี๋ยวก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็สองสามแสนขึ้นไปแล้วอนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆคำถามจากคุณปรักพัดนะครับผมนั่งสมาธิเป็นประจำโดยใช้การภาวนาพุทโธ ท, ทุกวันนี้จะมองเห็นดวงสีขาวขนาดเท่าลูกฟุตบอลลอยขึ้นลงที่หางตาข้างขวาบ้างข้างซ้ายบ้าง แต่พอตั้งใจดูจะไม่เห็นครับสาเหตุนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาตอนจิตสงบขณะลืมตาคือมันเป็นผลพลอยได้จากการทําสมาธิจากการเจริญสติแต่ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการฮังนั้นไม่ควรไปให้ความสําคัญกับมันไม่ต้องไปสนใจมันถ้ายังไม่สงบก็พุโทโธต่อไปอย่าหยุดพุดโทโธอย่าไปหยุดดูมัน เหมือับรถจะกลับบ้านไปกลางทางเขามีหนังฉายก็เลยแวะดูหนังเดี๋ยวก็ไม่ถึงบ้านแต่ <c oughs> อยากจะกลับบ้านก็ขับรถไปเรื่อยๆกลางทางก็จะมีอะไรก็ไม่ต้องจอดรถลงไปดู <c oughs> อย่าเสียเวลาอย่าทะเลทะลายพูดง่ายๆนั่งสมาธินี้เพื่อให้ใจว่างใจสงบใจเป็นอุเบกขา <c oughs> ถ้ายังไม่ถึงความสงบอุเบกขาก็ภาวนาไปต่อพุทโธไปต่ออยาหยุด เราไปเห็นแสงเห็นสีอะไรขึ้นมาเราหยุดไปดูมันมันเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงมันก็จะจอดอยู่ตรงนั้นมีผู้ถามเกี่ยวกับเรื่องมักมีอง์แปดครับจะให้ป YouTube, Facebook, Google, ไ, ไปดูยูทู u เฟซบุ o ก g ูเกิลไหมครับมันก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกไว้น่นอะมันก็ ของที่ค้นคว้าได้จากใน Google ก็ลองกดดูก็ได้ได้รายละเอียดดีกว่าได้ซ้ำไปนอกจากว่ามีความสงสัยในข้อใดข้อหนึ่งอยากจะให้อธิบายขยายความอย่างนี้ก็จะแต่ถ้าแบบต้องการความรู้ทั่วไปจากพระพุทธศาสนานี้สามารถหาได้ใ น, ใ น, ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะไปหมดทางทาง u ูทูไม่มีอะไรเข้ามาเลยหรยอ มีไม้ยคำถามไม่มีมเลยนะวันนี้โทนี่มายังไม่มา่ ม, มา่าชีวาเิด้ว่ามีเองตองะหรือเราจะช่วยทำอะไรให้เขาสามารถใช้ไเรื่องบุญนี่เขาคงยังไม่มีความสามารถที่จะทำได้เขาทำได้ก็บุญจากการช่วยเราเฝ้าบ้านอย่างนี้หาะมาเห่าเวลาอะไรทั้ง ก็ทําบุญแบบนั้นไปตามฐานะของเขาต่าง น, นี้ยั่ทําบุญแบบฐานะของเราก็สัตว์บางตัวก็ทําได้อย่างพระพุทธเจ้าไปอยู่กับช้างกับเลีงไงช้างกับเลีงก็รับใช้พระพุทธเจ้าะหาน้ําพุ่งน้ํำพึ่งมาถวายพระพุทธเจ้ า, นน า, จาแสดงว่าสัตว์พวกนี้ฉลาดรู้จักทําบุญเขาต้องรู้จักทําเองเราหรือเราสอนให้เขาทําก็ได้ถ้าเราสอนเขาแล้วก็ทําได้ก็ เช่นเราสอนนี่เขาไปคาบหนังสือพิมพ์มาให้เราเย่างนี้พอทุกวันเวลาเขามาส่งหนังสือพิมพ์มาเห็นหนังสือพิมพ์มันก็จะคาบมาให้เราดังนี้นเขาก็ได้ทําบุญละแล้วเขาได้รับใช้ผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นนี่ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งก็คุยเขาได้มาก็ฟังนาาูน้นเรื่องนยอยังน้น เราบางทีฟังยังไม่เข้าใจแล้วหมามันจะฟังแล้วจะเข้าใจยิ่งไปฟังพระที่พูดบาลีเยอะๆนี่ฟังแล้วงงไหมคํามันก็บาลีคํำก็บาลีฟังไปแล้วยังงงแล้วหมามันจะไปฟังภาษาพระภาษาคนนู่เรื่องไหแต่ถ้าเขาไม่มากวนเราเนี่ยทําเพื่อความเมตตก็ทําไปนะครับอาจารย์ เขเข้ามาได้ววก็ไม่เป็นไร <c oughs> ใช่ก็ <ใน S 2> อยากจะนั่งเฉยๆ ก, นะ <c oughs> กับเราก็เขาก็นั่งสมาธิไปแต <c oughs> ่ก็นั่งเฉยๆก็แสดงว่าเขานั่งสมาธิไปมีคําถามจากคุณเชรันนะครับจาก youtube นะครับสีน้องกาลเฉเชอรันเนี่ย When things go wrong and future seems impossible, what you r a d v i c e for us? Just let go. Just accept them for what they are, because this is the way life is. Sometimes things go wrong, s o m e t i m e s things go right, but eventually we all gonna die anyway. So it doesn't matter whether things go wrong or right. When you die, everything disappear. So there's no need to to worry or to to try to fix them if you cannot fix them. If you can fix them, fix them. But you cannot fix them. Just leave them alone. Because when time passes by, they they will fix themselves. Yeah. And when when and when we die, everything will will will disappear. Will be gone from us anyway. So don't waste your time. Don't get uh get sick and tired of trying to solve your problem. Sometimes you cannot solve your problem. Just just leave them alone. Just just let them solve themselves. Mm -hmm. All you have to solve your pro the real problem is your mind. You should make your mind peaceful and calm uh, by meditating and leave everything alone. Mm -hmm. And when your mind is peaceful and calm, you are happy even though you have many problems. But the problems will not make you unhappy. Because you know how to make yourself happy. คําถามจากคุณเจตลินนะครับเวลานั่งสมาธิจิตสงบนิ่งดีแต่อยู่ๆก็เกิดภาพคนนอนนิ่งและค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นภาพกะโหลกศีรษะและกระดูดลูกขอถามว่าเป็นอาการของอะไรครับเพราะเห็นภาพแล้วตกใจกลัว ก็เป็นเรื่องของจิตเนี่ยจิตที่มีภาพเหล่านี้ฝังอยู่ในใจเวลาจิตสงบภาพเหล่านี้บางทีมันก็โผล่ขึ้นมาได้ถ้ามันมีอยู่ในใจอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเราต้องการปัญญาไปเห็นภาพเหล่านี้ก็ควรที่จะจดจดจํำมาไว้เพราะว่ามันเป็นความจริงของร่างกายของพวกเราทุกคนแล้วเราจะได้รู้ว่าร่างกายของเรานี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่ง ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงอันนี้ได้เราก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจเวลาที่มันเป็นไปคําถามจะคุณขวัญตานะครับทาให้ต้องไปถมทาให้ต้องเวลาศึกจากที่บวชเนคขมมะการบวชปีนี้การบวชนี้ปีละครั้ง เนื่องจากปัญหาสุขภาพจึงไม่ค่อยได้ไปวัดแต่ปกติอยู่บ้านก็สวดมนต์เป็นประจําขออโหสิกรรมและอุทิศบุญทุกครั้งไม่อยากเกิดอีกแล้วขอนิพพานจะปฏิบัติอย่างไรได้อีกคะเราก็ต้องบวชทั้งปีทั้งชาติถึงจะได้ถ้าบวชปีปีละครั้งนี่มันไม่ได้หรอกเหมือนไปเรียนหนังสือเทอมนึงไปเรียนวันเดียวมันเมื่อไหร่มันจะจบมันก็ต้องไปเรียนทุกวันมันถึงจะจบ การจะไปนิพพานเขาก็ต้องปฏิบัติกันทุกวันทั้งวันทั้งคืนด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะกลางวันพระปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติ24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเวลาพักผ่อนดัง น, นั้นพอตื่นขึ้นมาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญปัญญาไปเรื่อยเเขาถึงไปนิพพานกันได้อต่ถ้าปีนึงมาบวชกันสักครั้งหนึ่งก็อมันก็มัน ก็ไม่ไม่มีวันที่จะไปได้หรอกไม่พอกำลังไม่พอคำถามจะคุณตาล น, นะครับขอถามในส่วนของศีลห้าของคารวาดเช่นข้อหนึ่งปานาติบาห้ามฆ่าชีวิตนี่รวมถึงการทำร้ายโดยไม่เสียชีวิตด้วยหรือไม่ครับข้อสี่มุสาวาดนี่เฉพาะห้ามโกหกรวมถึงการสออเสีย หรือด่าว่าคนอื่นด้วยหรือไม่ครับข้อหนึ่งนี้มันต้องเสียชีวิตมันถึงจะเป็นปาณาติบาตถ้าไปทุบตีเขาเจ็บนี่ยังไม่ถือว่าเป็นปาณาติบาตแต่มันก็เป็นการทำร้ายร่างกายของผู้อื่นมันก็มีโทษแต่มันไม่หนักเหมือนกับการฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นก็ต้องถูกเข้ามาจับเราไปฆ่าตีเขาเขาก็มาตีเราให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกัน ส่วนข้อที่สี่มุสาในสินห้าในศินแปดนี่เพียงแต่หมายถึงคำโกหกเท่านั้นเองคำสอคำ่อเสียดคำอ่าคำหยาบคำอะไรนี้ไม่ได้อยู่ในสินข้อนี้มันไปอยู่ในอากุศลอกุศลสิบเป็นสิลที่ละเอียดขึ้นไปถ้าเราอยากจะสำหรับพระนี่จะต้องรักษาไม่พูดคำหยาบไม่นอกจากไม่พูดปวดแล้วต้องไม่พูดคำหยาไม่พูดเพอเจอไม่พูดส่อเสียด ผู้ที่ต้องการมีศีลที่ละเอียดขึ้นก็ต้องถือถือข้อเหล่านี้แต่ถ้าเราต้องการแบบไม่ไมละเอียดมากก็แค่ไม่ให้พูดปดเท่านั้นเองคําถามจะคุณนาโนนะครับจิตเกิดดับในปฏิจจสมุปบาทอย่างไรครับ <c oughs> จิตไม่ได้เกิดดับเกิดดับในปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เกิดดับก็คือสังขารสังขารวิญญาณ พยาธนิเนี่ยมันเวทนาผัสสะเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับไปตามอาการที่เกิดขึ้นมาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไอในปฏิจจสมบทสมุบาทนี่มันอยู่ในตัวจิตเขา้าใจเปล่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนตัวละครบนเวทีเนี่ยเวทีก็คือจิตไอตัวละครนี่ก็คือไอตัวที่อยู่ในปฏิจจส ม, มุบาทเนี่มันก็เล่นกันไปเนีย เกิดดับเกิดดับกันไปแต่เวทีก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอละครจบตัวเล่นละครกลับบ้านหมดเวทีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมจิตก็นี่เหมือนกันเวลาจิตสงบก็เหมือนกันกบตัวละครก็หยุดหยุดเล่นกันชั่วคราวเวลาจิตรวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้นี่เวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณต่างๆมันก็หายไปหมดอวิชชาปัจจยาอะไรมันก็หยุดหมดเหลือแต่เวทีเหลือแต่ตัวรู้ตัวจิตตัวเดียวตัวนี้ไม่เกิดไม่ดับเข้าใจไหม ตัวที่เกิดดับเป็นตัวที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือตัวขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารมันก็เกิดดับเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคุณไทยแลนด์ถามว่าเวลาฟังธรรมเราสามารถนอนฟังธรรมได้ไหมครับคือถ้าจะให้มันประโยชน์มันมันนั่งดีกว่านอนเาะนอนแล้วมันหลับได้มันมันท่านอนนี่มันท่าสบาย มันจะทําให้หลับแล้วมันจะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังถ้าต้องการใช้เป็นยานอนหลับก็ฟังได้ฟังแล้วก็หลับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยานอนหลับแล้วก็ไม่ติดยานอนหลับด้วยไม่เสียสุขไม่เสียสุขภาพคําถามจะคําถามจะคุณน้ํามนนะครับหนูเป็นคนความดันต่ําเป็นปกติ น้ำตาลตกและจะเวียนหัวเสมอเวลาที่กินน้อยหรือนอนไม่หลับหนูถือสิงแสทุกวันและพยายามจเจริญสติตลอดเวลาพอสักสองทุ่มหนูจะเวียนหัวตาลายเนื่องจากความดันต่ําและน้ําตาตกทุกวันหนูจะฝืนเดินจงกรมฝืนฟังเทศและฝืนนั่งสมาธิทั้งๆ ท, ที่เวียนหัวมึนหัวตาลายหนูบอกกับตัวเองว่าไม่ตายหรอก ถ้ามันจะตายก็ช่างมันปล่อยมันตายไปหนูทำแบบนี้มาประมาณสามเดือนจนร่างกายล้มป่วยอยู่ประมาณยี่สิบวันตอนนี้ก็ยังไม่หายดีค่ะตอนนี้หนูสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีจะกินแบบปกติดีไหมร่างกายจะได้ไม่มีปัญหาจเจริญสติได้แต่ถือศีลได้แค่เจ็ดข้อแต่ใจอยากจะถือศีลให้ครบแปดข้อ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะก็ต้องดูความสามารถของร่างกายว่ามันทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปทางนั้นเมื่อมันทำไม่ได้ก็ไม่ ก, ก็ทำไม่ได้ส่วนนั้นเหรอมีจาก อ, อ่ามามาคำถามจากซูซูกา้า อาจารย์สอนบ่อยๆว่าเป็นลูกข้ามว่าพ่อแม่ให้เราทำเฉยๆช่วงนี้พอดีมีงานศพเวลาฟังพระสวัดท่านมักจะพูดคุยกับเพื่อนถ้าเราเตือนท่านจะบาปไหมครับก็ไม่ควรนะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเตือนพ่อเตือนแม่วันแล้วใช่ไหมมีข้อจากคุณอีซี่อุ๋ยนะครับ คำสอนของหลวงปู่ดุลอะตุโลที่ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยจิตเราบังคับไม่ได้ตามธรรมชาติใช่หรือไม่ครับถ้าจิตส่งออกนอกแล้วไปรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเกิดจากความอยากจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าจะหมดทุกข์จิตจะต้องไม่ส่งออกนอกเลยตลอดเวลาใช่หรือไม่เ อ, อเราถึงต้องเจริญสติกันไง เพาสติจะเป็นตัวดึงจิตไม่ให้ออกข้างนอกจะดึงจิตเข้าข้างในที่เราปฏิบัติการเพื่อมาสร้างสติเมื่อมีสติแล้วก็จะดึงจิตเข้าข้างในพอข้างในมันมันเข้าข้างในมันก็สงบมันก็เยน็นมีความสุขมันก็ไม่มีความอยากได้อะไรมันก็หลุดพ้นได้คาถามจากคุณขวัญ น, นะครับหากจิตเกิดดับเหมือนหิ่งห้อยหากจิตเป็นทุกข์เกิดทุกข์ใจ หนูใช้เวลาในการทำสมาธิจนเกิดปัญญาพิจารณาให้ทุกนั้นดับถ้าทุกใจดับด้วยปัญญาคือดับถาวรใช่ไหมคะก็ดูเสียว่ามันถาวรหรือเปล่าตามหลักมันต้องถาวรแต่ถ้ามันไม่ถาวรก็แสดงว่ามันยังไม่เป็นปัญญาแา่คุณมะเหมียวนะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทางไหนบาปที่สุดคร คือกรรมที่สําคัญที่สุดก็คือมโนกรรมมโนกรรมเป็นผู้สั่งให้เกิดวจีกรรมกายกรรมถ้าเราคุมมโนกรรมได้เราก็จะคุมกายกรรมวจีกรรมได้จะว่าตัวไหนเป็นบาปกว่ากันมันไม่หลอกมันก็ไปด้วยกันมันพวกเดียวกันมันต้องมีมโนกรรมก่อนถึงจะเกิดวจีกรรมเกิดมโนกรรมได้จะหนักไม่หนักก็อยู่ที่บาปที่เราทํำในศี่ห้าบาปที่หนักที่สุดก็คือ การฆ่าลองลงมาก็คือการลักทรัพย์ลองลงมาก็คือการประพฤติผิดประเวณีลองลงมาก็คือการพูดปดลองลงมาก็คือการดื่มสซลายาเมากันหมดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์นี่กายอยากจะถามอะไรไหมก็พอสมควรแก่เวลานะ ก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิย์พจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ